ต้วนให้ถูกต้องด้วยการทำความดีนะอยู่ในศีนลเราเว้นความชั่วเพราะว่าถ้าทำชั่วนี่ก็ถืว่าเป็นการสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองและผลร้ายมันจะเกิดขึ้นมากกว่าผลได้หรือผลดีนะที่คาดหวังรวมถึงเรื่องการ รักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลครอบงำรู้จักปล่อยรู้จักวางอารมณ์ต่างๆไม่ให้มันมาซ้ำเติมจิตใจเจอเหตุร้ายแล้วก็ให้มันเสียแต่สิ่งภายนอกเช่นวัตถุสิ่งของหรือว่าเจ็บป่วยนะแต่ว่าไม่ซ้ำเติมให้จิตใจป่วย หรือว่าเกิดความทุกข์การรักตัวให้เป็นรักตัวให้ถูกต้องนี่มันไม่ได้หมายถึงการเห็นแก่ตัวนะการเห็นแก่ตัวที่จริงนี่กับการเป็นการทําร้ายตัวเองถ้าเรารักตัวเองเนี่ยนะก็ต้องหมั่นทำดีฝึกจิตฝึกใจหรืออย่างที่เราได้สาธยายเมื่อกี้นี้ ต้องมั่นจเจริญเมตตาเป็นประจำจะเจริญเมตตาภาวนาเมื่อกี้เราก็ได้สัตยายานิสงของการจเจริญเมตตาจิตนะเช่นใบหน้าผ่องใสเป็นที่รักใครของมนุษย์อมนุษย์แล้วก็เทวดาก็ปกปักรักษา รู้แล้วแต่ดีทั้งนั้นนั่นถ้าเรารักตัวเองนะก็ต้องรู้จักนะแผ่เมตตาเป็นนิดแผ่แม้กระทั่งกับคนที่เขาเบียดเบียนเราเขาขุ่นข้องหมองใจเราหรือว่าแม้กระทั่งคนที่ทําร้ายเราพอาเราไม่ทําเช่นนั้นความโกรธความเกลียดมันก็จะคล่อมนำจิต แล้วก็บีดขั้นใจเผาลนให้รุมร้อนอยู่ร้อนนอนทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับะนั้นก็ต้องแผ่เมตตาให้เป็นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนอกจากแผ่เมตตาแล้วเนี่ยนะมันต้องลงมือทำช่วยเหลือผู้อื่นด้วยตรงข้ามกับความเข้าใจคนทั่วไปนะว่าการรักตัวเองคือการเห็นแก่ตัวนะ รักตัวเองเท่าไหร่เนี่ยยิงต้องช่วยเหลือคนอื่นมากเท่านั้นพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะว่ารักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนประโยคหลังนี้น่าสําคัญนะรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนก็หมายความว่าถ้าเราช่วยผู้อื่นก็เท่ากับเป็นการช่วยเหลือตัวเองและพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่า รักษาผู้อื่นนี่เป็นอย่างไรนะก็คือให้มีความอดทนไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีเมตตาจิตแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเมื่อทำเช่นนี้ก็เว่าเป็นการรักษาตนที่วรทอเมริกาเขามีสำนักเซนนะอยู่มากมายก็มีสำนักหนึ่งนะ เวลาพระบวชเนี่ยพิธีบวชของพระเซนเนี่ยเขาก็จะมีตอนหนึ่งผู้บวชเนี่ยก็จะขอให้อุปชานะแนะนำว่าจะปฏิบัติทำอย่างไรแล้วก็จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรขอได้โปรดแนะนำข้าพเจ้าด้วยอุปชาก็จะบอกว่าอะไรนะ ช่วยเหลือผู้อื่นเหรอช่วยเหลือตัวเองดีกว่าผู้บวชก็จะถามว่างั้นกรุณาแนะนำว่าจะช่วยเหลือตัวเองหรือว่ารับใช้ตัวเองอย่างไรอุปเช้าจะตอบว่าก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นไงล่ะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นหรือว่าการใส่ใจผู้อื่นนั่นแหละก็คือการช่วยเหลือตัวเอง แล้วก็ตรงกับพุทธพจน์นะที่ได้ยกหมาเมื่อสักครู่การที่เราดูแลเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้ื่นเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะมันมีเรื่องเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยก็ไปทำธุระนอกวัดจนดึกก็ไม่ถึงกับดึกมากนะแต่ว่าพอเสร็จธุระก็มืดซะและ้วก็ต้องรีบกลับวัด ระหว่างทางก็ต้องเดินเข้าซอยซอยนั่นก็มืดมากแล้วคนก็เยอะด้วยเพราะว่าเดินชนชนโน่นชนชนคนหลายคนทีเดียวพอมองไม่เห็นอะไรเลยแต่สักพักก็มองไปไกลเห็นโคมไฟสว่างพอเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่าคนก็พูดกันว่าเนี่ยคนที่ถือโคมไฟเนี่ยเป็นคนตาบอด มีบางคนก็พูดว่าเอ้ยตาบอดมองไม่เห็นอะไรแล้วมันถือโคมไฟทําไมแต่ภาพรูมนี้มีความสนใจพอเดินไปถึงจายผููนั้นก็ถามว่าท่านตาบอดหรือเขาก็บอกว่าใช่ข้าพเจ้าตาบอดตาบอดตั้งแต่เกิดไม่รู้จักแสงสว่างว่าเป็นยังไงพระก็เลยถามาเอางั้นท่านถือโคมไฟทําไมพระก็บอกว่า ก็ท่านเองก็สังเกตไม่ใช่หรือหรือพบด้วยตัวเองไม่ใช่หรือว่าท่านกว่าจะเดินถึงตรงนี้เดินชนคนต้องแยะเพราะมันมืดเข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกันแต่ก่อนนี่เวลาเดินเข้ามาในซอยนี้ก็มีคนมาเดินชนแต่ตอนหลังก็ได้ทราบว่าที่เขาเดินชนเพราะเขาไม่เห็นแสงสว่างก็เลยจุดโคมขึ้นมานะ เพื่อว่าคนเขาจะได้นะเห็นแสงสว่างพระก็บอกว่าโอ้ท่านมีเมตตามากนะช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อหรือว่าคิดถึงผู้อื่นชายตอบอกก็เปล่าก็บอกว่าเปล่าเลยนะข้าพเจ้านะคิดถึงตัวเองมากกว่านะเพราะว่าตอนที่ไม่ถือโคมนี่มันก็มีเดินคนมาเดินชนเยอะนะ แต่ว่าพอถือโคมแล้วนะให้แสงสว่างแก่ผู้คนก็ไม่มีใครมาเดินชนเข้าประจอยอีกเลยนะคือชายตาบอดเนี่ยนะถือโคมเพื่อผู้อื่นให้คนตาดีเนี่ยมองเห็นมองเห็นทางแต่ผลที่ผลได้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนตาดีก็ไม่เดินชนเขาอีกต่อไปนะอันนี้ก็ ก็ตรงกับที่พเจ้าตรัสนะว่าช่วยเหลือผู้อื่นหรือรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนนะช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับช่วยเหลือตัวเองด้วยอันนี้เนี่ยเป็นเป็นการชี่เห็นว่าถ้าเราอยากจะมีความความสุขความเจริญเนี่ยนะก็อย่าคิดถึงแต่ตัวอย่างเดียวนะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้รับความสุขด้วยอันนี้เป็นความเข้าใจที่คนสมัยนี้นึกไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ แต่จริงนี่มันเป็นภูมิปัญญาหรือทีเดียวเคยมีทีมถ่ายหนังสารคดีนะเข้าไปถ่ายทําสารคดีในต่างจังหวัดในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งระหว่างที่พักผ่อนอยู่ก็มีคุณป้าคนหนึ่งถือปลาพวงใหญ่มาคุณป้าก็รู้จักทีมถ่ายทําสารคดีนี้ ก็เลยถามคําถามหนึ่งว่าเออหนูรู้ไหมไอปลาพวกนี้เนี่ยทำยังไงถึงจะกินได้นานนะคนในกองถ่ายเขาก็ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองก็คิดแล้วก็ตอบกันคนละอย่างสองอย่างคนก็บอกว่าก็เอาไปตากแดดอีกคนก็บอกว่าไปทําส้มไปหมักอีกคนก็บอกง่ายๆเลยก็ไปใส่ตู้เย็นไงนกินได้นาน เอาคุณป้าบอกว่าตอบผิดหมดเลยนะทํายังไงนะต้องเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านที่ทั่วถึงนะเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านทั่วถึงอนะทีมกองถ่าก็งงนี่ถ้าเราไปแบ่งเอาปลาแบ่งให้คนอื่นมันก็เหลือน้อยสนะิยิ่งแบ่งมากเท่าไหร่เราก็มีเหลือกินน้อยลงนะคุณป้าบอกหรือเปล่าเลยนะถ้าเราไปแบ่งให้เขานะ ถึงเวลาเขามีเขาก็แบ่งมาให้เราอันนี้แหละคือวิธีที่จะกินได้นานการเอาปลาไปให้เขาก็คล้ายๆกับการเอาปลาไปฝากไว้ในท้องเขานะออมสินนะหลวงท้าจับวุฒาก็เคยพูดนะอาหารที่เรากินเนี่ยถ้าเรากินมันก็กินวันนี้มันก็ตอนเย็นมันก็ถ่าย เป็นขี้แล้วแต่ถ้าไปเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผให้ผู้อื่นให้ผู้อื่นกินบ้างมันจะอยู่ในใจเขานานเลยนะอาหารที่เรากินวันเดียวมันก็กลายเป็นขี้ไปแล้วแต่ถ้าเราแบ่งให้หรือให้หมอบให้กับผู้อื่นมันจะอยู่ในใจเขานานไม่ใช่แค่วันเดียวอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนนะฉันเขาจะมีความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกั น, กนซึ่ง ยิ่งเ er อื้อเฟื้อเกื้อกูลเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนกับเป็นสวัสดิการให้กับตัวเองที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะที่ที่มีภูมิปัญญาแบบนี้นะเมื่อเร็วนี้ก็ได้ฟงังอ่าเรื่องราวของกเกษตรกรคนหนึ่งในรัฐโอไฮโออเมริกาเขาเขาสามารถที่จะเพาะทัน เขาโพด ท, ที่ดีมากเลยพันุ์ของเขานี่มันเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดได้รางวัลเยอะแล้วเขาก็เอาพันธุ์ของเขานี่แหละมาปลูกซึ่งก็ขายดีมากแต่ว่าสิ่งที่เขาทําให้เหมือนใครเขคือว่าเขาเอาพันธุ์ที่เขาพัฒนานี่แหละไปแจกให้กับเพื่อนบ้านนะที่ปลูกนะในละแวกเดียวกัน คนก็แปลกใจเอาไปแใจกใเขาทำไมเอาไปแจกคนอื่นเดี๋ยวก็มีคู่แข่งเลยอีกคนบางคนก็เคี้ยวโอ้นี่คนนี้เขาใจดีนะก็เอื้อเฟื้อเผื่ อ, อ, อแผ่ต่อเพื่อนบ้านต่อชาวไร่ด้วยกันก็มีคนไปถามว่าทำไมก็ถึงเอาพันดีเนี่ยของเขานี่ไปแจกทำไมไม่หวงเลยเขาก็ตอบว่าข้าวโพดของเขาเนี่ยนะ มันจะมีลมเนี่ยพัดมาจากพัดละอองเกสรจากไร่ข้างๆเนี่ยแล้วก็มาผสมเกษรกับข้าวโพดของเขาถ้าเกิดว่าไร่ข้างๆเนี่ยไร่ที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยมันเป็นพันธุไม่ดีเนี่ยนะมันก็จะส่งผลทําให้ข้าวโพดในพันในในในในไร่ของเขาเนี่ยมันแปร ى, มันกลายพันธุด้วย นะเพราะว่าละอองที่ลอยมาเนี่ยมันเป็นละอองละอองเกษรจากพันธุ์ที่ไม่ดีพอมาผสมกับข้าวโพดพันธุ์ของเขาแล้วคุณภาพมันเสื่อมลงในะวิธีที่จะช่วยทําให้คุณภาพของของ้าวโพดเขาเนี่ยเป็นคุณภาพที่ดีก็คือว่าต้องทําให้ข้าวโพดที่อยู่รอบเนี่ยรอบรอบเนี่ยคงเป็นกิโลกิโลนะอาจจะหลายกิโลด้วยนะ มันเป็นข้อโพดพันธ์ดีเมื่อรอบๆเป็นข้อโพดพันธุ์ดีแล้วนะก็มั่นใจได้ว่าข้อโพดในแปลงของเขาก็จะเป็นพันธุ์ดีด้วยอันนี้มันเห็นเลยนะว่าการที่เราเนี่ยนะจะมีความเจริญจะประสบความสําเร็จหรือว่าจะมีความผาสุกเนี่ยจะคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้มันต้องคิดถึงคนอื่นด้วยแล้วต้องช่วยช่วยเขานะ เพราะว่าความสุขของเรากับความสุขของคนอื่นมันแยกจากกันไม่ออกนะความสาเร็จของเรากับความสาเร็จของคนอื่นก็แยกจากกันไม่ออกนะอันนี้มันก็มันก็ตรงกับที่พระเจ้าตัดนะว่ารักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนช่วยเหลือผู้อื่นก็เท่ากับช่วยเหลือตนแต่ผู้อย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาเราจะช่วยเหลือใครเราก็จะคิดถึงแต่ผลลัพธ์ที่จะเกิดกับเราอย่างเดียวนะ การการช่วยที่แท้เนี่ยก็คือช่วยโดยที่ไม่ไม่หวังผลว่าจะเกิดอะไรกับตัวเราเองเลยคือทําด้วยใจเบิสุดใจทําด้วยใจที่ปรารถนาดีมีเมตตาชาวผู้เราต้องไปถึงขั้นนั้นด้วยแต่เราก็มั่นใจว่าถ้าเราทําดีกับผู้อื่นแล้วผลดีย่อมเกิดขึ้นกับเราแน่นอนอันนี้เป็นกฎธรรมาชาติแต่เจตนานที่เราจะช่วยเหลือเขาเราไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยเราคิดแต่เรื่องการช่วยเหลือเขา อันนี้เนี่ยมันมันจะช่วยทําให้การกระทําของเราเนี่ยมันเป็นการกระทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็จะส่งผลจะส่งผลดีนะโดยที่เราไม่ต้องปรารถนาเลยก็ได้เหมือนกับเรากินข้าวกินอาหารที่มีสุขภาพดีแม้เราไม่ต้องไม่ต้องการจะให้สุขภาพดีแต่ว่าถ้ากินอาหารสุขภาพดีแล้วเนี่ยอาหารสุขภาพแล้วเนี่ยมันก็ย่อมทําให้สุขภาพเราดีเป็นธรรมดา เราออกกาลังกายทุกวันแม้เราจะไม่ตั้งใจว่าหรือไม่ปราทะนาจะให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแต่ว่าถ้าออกกําลังกายบ่อยๆสุขภาพก็ดีขึ้นมาเองเพราะมันเป็นกฎธรรมชาตินะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ความอยากของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ ต, ตนาของเราได้ซ้ำํำแต่แน่นอนถ้าเรามีเจ ต, ตนาดีเจ ต, ตนาบริสุทธินะ์การที่เราช่วยเหลือผู้อื่นมันก็ทําใหเา้เกิดผลดีทั้งกับผู้รับและผู้ให้ เช่นการการให้ทานนะถ้าเราให้ทานเนี่ยโดยที่เราไม่ไม่หวังผลอะไรเลยที่จะเอาเข้าตัวแต่ว่าให้เพื่อประโยชน์กับผู้รับนะอันนี้เป็นการให้ทานที่ประเสริฐนะพระเจ้าก็สรรเสริญนะพนะระองค์เคยตรัสว่าทานที่มีอ น, นิสงส์ไม่มากหรือทานที่มีอ น, นิสงส์น้อยคือทานที่ให้ด้วยใจที่มีเยอใหญ่ให้ด้วยจิตผูกพัน ให้ด้วยหวังสั่งสมบุญหรือว่าหวังสวยสุขในภพหน้าอันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกทาเพื่อให้เกิดผลดีกับตัวเองก็ได้บุญนะแต่ว่าได้น้อยนะถ้าหวังว่าได้โน่นได้นี่นี่อันนี้ไม่เรียกว่าเป็นเป็นการเป็นการกระทําที่ถูกต้องบางทีพระองค์ถึงตัดด้วยว่าคนที่หวังมีหวังเป็น หวังมีหวังเป็นก็คือหวังร่ำหวังรวยหวังอยากจะได้นู่นได้นี่เป็นนู่นเป็นนี่ไม่ว่าทําอะไรแม้จะทําบําเพ็ญอภิญญาห้าสมาบัติแปดก็ถือว่าเป็นมิชฉาปฏิปทาแต่คนที่ไม่หวังเลยไม่หวังมีหวังเป็นอะไรเลยไม่ว่าจะให้ไม่ว่าจะทําอะไรหรือให้ของแม่เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นสัมมาปฏิปทาแม่งการให้เนี่ย มันจะได้บุญหรือไม่จะเป็นสัมมารหรือมิจชาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อาการนะแต่อยู่ที่ใจนะว่าให้ด้วยความหวังใ ห, ให้ด้วยความคาดหวังอะไรถ้นเราให้ด้วยจิตที่มีเมตตามุ่งถึงประโยชน์สูง ข, ของผู้รับเนี่ยให้มั่นใจได้ว่าผลดีจะกลับมาที่เราเองโดยที่ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้คาดหวัง มีผู้หญิงคนหนึ่งแกติดเชื้อ HIV จากสามีเชื้อเออนะแกก็ไม่โกรธสามีนะแกก็เมื่อสามีป่วยแกก็ดูแลสามีจนเสียชีวิตตอนหลังแกก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ติดเชื้อทำไปทำมาก็ไปเป็นวิทยากรนะรับเชิญเป็นวิทยากรไปบรรยายให้คนทั่วไป ให้เข้าใจเรื่องเอดสซึ่งก็หมายถึงต้องเปิดเผยตัวเองว่าฉันเป็นผู้ติดเชื้อนะแต่เธอก็ไม่ไม่แคร์เพราะว่ามุ่งประโยชน์นะของคนทั่วไปว่าเขาจะได้รู้จะได้ป้องกันตอนหลังก็ไปเป็นวิทยากรในหลายที่ตามโรงเรียนต่างๆจากวิทยากรก็กลายเป็นผู้จัดทําโครงการพัฒนาชุมชน ให้ความรู้ให้การศึกษากับเยาวชนเพื่อมีทางเลือกชีวิตที่ดีแล้วตอนหลังก็ไปทํางานพัฒนาชุมชนด้านอื่นนะเพื่อให้คนนี่มีทางเลือกแต่เพราะว่าชาวบ้านนี่ถ้าไม่มีทางไปก็ถ้าผู้ชายก็ขายแรงงานถ้าเป็นผู้หญิงก็ขายตัวแต่ถ้าก็มีทางเลือกที่ดีมีความรู้มีการศึกษาหรือว่ามีชุมชนที่ดีเขาก็ไม่ไปประกอบอาชีพที่เสี่ยงอันตราย ก็เรียกว่าทํางานมาอุทิศตัวนะเพื่อส่วนรวมนี่มาทํามาสิบเจ็ปีแล้วสิบเก้าปีแล้วถึงปีนี้ปีที่สิบเก้าแล้วปอกกัว่าเธอยังมียังมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ติดเชือ้อหรือว่าไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อเลยไอ้ติดเชื้อมีแต่ว่าไม่ได้กินยาฆ่าเชื้อเลยนะแต่ว่าอยู่ไม่ได้จนถึงปีที่สิบเก้าแล้วคนที่ติดเชือ้อแล้วก็อยู่นานมีหายยาก ก็มีคนถามเธอว่าพี่ทำงานมากๆแบบนี้เนี่ยพี่ไม่กลัวป่วยเหรอหรือไม่กลัวตายเหรอเธอตอบดีเธอตอบว่าถ้าฉันคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยฉันป่วยเป็นนานแล้วหรือตายเป็นนานแล้วพูดดีนะถ้าฉันคิดถึงแต่ตัวเองนี่ฉันป่วยไปนานแล้วคล้ายๆกับเมื่อวานนี้ที่พูดถึงคุณลุงคุณลุงที่พูดกับ สาวญี่ปุ่นที่จะฆ่าตัวตายวันนี้คนที่คิดถึงแต่ตัวเองเยอยากตายทั้งนั้นนะคือถ้าคิดถึงแต่ตัว เ, เนี่ยมันจะทุกข์ง่ายแต่ถ้าคิดถึงผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนะไม่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยนะก็จะมีสุขภาพดีนะไม่ป่วยง่ายๆนี้เถอก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะแต่ว่าผลดีมันเกิดขึ้นกับตัวเองนะ สุขภาพดีเพราะอะไรเพราะสุขภาพจิตสุขภาพจิตดีเพราะว่าได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่คิดถึงแต่ตัวเองคนเราคิดถึงแต่ตัวเองก็จะสุขยากทุกข์ง่ายเจอหน้เจอหน่อยก็กังวลเจอหนิเจอหน่อยก็เครียดแต่ถ้าคิดถึงผู้อื่นเนี่ยนะจะจะเห็นความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยใหญ่กว่าความทุกข์ของตัวแล้วก็คิดอยากจะช่วยเหลือเขา ให้จิตที่มีเมตตาแล้วก็ได้ลงมือทำเนี่ยก็ทำให้มีสุขภาพจิตดีมีภูมิคุ้มกันดีให้ภูมิคุ้มกันที่จะเลยงอกงามนมันก็คงมีส่วนไปช่วยกดเชื้อ HIV เชื้อเอชไม่ให้อลาวาลุกลามเธอก็เลยมีสุขภาพกายดีด้วยให้การช่วยเหลือผู้อื่นนี่มันจะว่าไปแล้วนี่มันเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่สุขภาพกายทาั้นสุขภาพจิตด้วยแล้วก็สามารถจะเป็นการพัฒนาตนได้ด้วยนะมีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องได้นะแก่24่สมีคนชวนไปเป็นจิตอาสาบ้านปักเกรดบ้านปักเกรดนี่มีคือบ้านที่รับเอาเด็กที่ถูกทิ้งนะตั้งแต่สามเดือนจนถึงแ9ขวบ บางทีแม่ก็ทิ้งเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวบางทีก็เอามาฝากไว้ก่อนก็เขาต้องการอาสาสมัครเยอะน้องได้นี่ก็ไปเป็นอาสาสมัครอาทิตฐ์ละสองครั้งหรื อ, อทีตละครั้งเนี่ยนะแต่ไปเป็นประจำบอกว่าแม่นี่เห็นความเปลี่ยนแปลงแม่บอกน้องได้นี่นิ่งสุ ข, ขุมขึ้นนะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะ ฟังคนอื่นได้มากขึ้นแต่ก่อนคงทะเลาะ ก, กับแม่เป็นประจำนะแต่พอน้องได้เป็นจินอาสาแล้วน้องได้นิ่ม น, นิ่งมากใจเย็นไม่ทะเลาะไม่มีปากเสียงกับแม่เหมือนเมื่อก่อนคล้ายๆกับอีกคนนึ่งชื่อ ก, กบก็เป็นนักธุรกิจนะตามแฟนมาแฟนมาเป็นจิตอาสาก็มาเป็นบ้างบ้างปักเก็บปรากฏว่าใจเย็นขึ้นนะ แต่ก่อนชอบ b วยวายใส่ลูกน้องตอนหลังลูกน้องแปลกใจว่าเออพี่ลูกพี่นี่ใจเย็นนุ่มนวลทําไมยังเป็นอย่างนั้นนะทำไมนี่เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาดูแลเด็กเนี่ยมันต้องใจเย็นนะดูแลเด็กก็ต้องอดทนไอ้ความอดทนความใจเย็นที่เกิดขึ้นจากการดูแลเด็กเนี่ยพอมันสะสมมากเข้า มันก็ทําให้นิสัยเปลี่ยนนะเวลาไปปฏิบัติกับลูกน้องนะก็นุ่มนวลมากขึ้นนะผงผางน้อยลงมันเป็นไปเองแต่ก่อนพูดดีไม่เป็นนะแต่ตอลังพูดดีเป็นแล้วเพราะว่าเวลาเลีเล้ยงเด็กสอนเด็กก็ต้องพูดดีกับเด็กแล้วเขาก็พูดดีเนขะบอกว่า เ, เวลาเลี้ยงเด็กเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับปรุงให้เขามีพัฒนาการที่ดี ในการพยายามช่วยให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีเนี่ยหมายถึงพัฒนาการทางอารมณ์มันนะมันก็มีส่วนขัดเกลาจิตใจเราให้อ่อนโยนด้วยก็เป็นการปฏิบัติธรรมแท้ๆเลยนะคือพอเราไปช่วยเหลือเขามันก็กลายเป็นการช่วยเหลือตัวเราโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้เรียกว่าการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะ มันก็ถ้าใครที่รักตัวเองนะอยากจะให้ตัวเองนี่พัฒนานะีมันก็ต้องคิดถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความด้วยเจตนาที่เป็นเมตตาเดีนะ๋ยวไปคิดว่าการไปช่วยเหลือผู้ผอื่นนี่มันมีแต่ขาดทุนนะนะคนคนที่คิดถึงแต่ตัวเองก็จะคิดแต่ในแง่นี้ว่าไปช่วยคนอื่นทําไมนะ ช่วยแล้วเราขาดทุนเสียเวลาทำมาหากินเราแต่ที่จริงแล้วนี่มันประโยชน์ที่ส่งกลับคืนมาให้กับเรานี่นเยอะอย่างได้หน้าคือความสุขที่พู้เจ้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขยอมได้รับความสุขให้ความสุขเขาโดยที่ไม่หวังอะไรเลยแต่บางคนเวลาช่วยใครเนี่ยหวังให้คนอื่นเขาสานึกในบุญคุณของเรา พอหวังแบบนี้แล้วเนี่ยก็ไปล้ำเลิกบุญคุณกับเขาเวลาเขาทําอะไรไม่ถูกใจก็อ้างบุญคุณว่าเนี่ยฉันเคยช่วยเธอทําไมมาพูดกับฉันอย่างนี้ในความคิดแบบนี้เนี่ยยิ่งทําให้ความสัมพันธ์แย่ลงคนความสัมพันธ์แย่ลงเพราะส่วนนึงก็เกิดจากการที่ไปล้าเลิกบุญคุณทวงบุญคุณนะและที่ทวงบุญคุณเพราะว่าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทําแล้วฉันจะได้อะไร ให้ความคิดแบบนี้คำถามแบบนี้นี่ต้องวางเอาไว้ก็ดีนะทำแล้วฉันจะได้อะไรคนไทยเดี๋ยวนี้คิดเรื่องนี้มากนะทำแล้วฉันจะได้อะไรเป็นคำถามที่น่าเกลียดเป็นคำถามที่ไม่ฉลาดเพราะว่าในทำให้เห็นแั่ตัวมากขึ้นจิตก็จะเศร้าหมองง่ายถ้าถามต้องถามว่าทำแล้วเขาจะได้อะไรทำแล้วส่วนรวมจะได้อะไร ทำแล้วจะเกิดขึ้นอะไรกับส่วนรวมเกิดขึ้นอะไรกับเขานะคิดแบบนี้อันนี้เมื่อกีไก้ได้ยกตัวอย่างนะที่ผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนจริงจิงก่อนนั้นผู้เจ้าก็ตัดว่ารักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นอันนี้ก็สำคัญนะอย่างการรักษาตนการที่เราดูแลจิตใจของเราให้ดีการที่เราดูแล ชีวิตของเราให้ดีเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะหลายคนเนี่ยที่มีความปรารถนาดีนะอยากช่วยคนนู้นคนนี้แต่ไม่คิดถึงเรื่องการรักษาตนเลยโดยเพราะเรื่องการรักษาหรือดูแลจิตใจตัวเองอย่างที่เล่าเมื่อวันสองวันก่อนสามีภรรยานี่รักกันมาก วันหนึ่งภรรยา น, นีเป็นเป็มะเร็งสามีทุกข์มากเลยสามีทุกข์มากทุกข์เพราะเป็นห่วงภรรยาแล้วก็ทุกข์เพราะเครียดกับการดูแลนะจะก่อนภรรยาจะเป็นคนดูแลสามีพอภรรยาป่วยนี่สามีก็ต้องดูแลตัวเองแล้วแถมต้องมาดูแลภรรยาก็คงเครียดนะแล้วก็ทุก เพราะความกังวลในตัวภรรยาด้วยพราะว่าเครียดมากๆเนี่ยเครียดจัดนี่เส้นเลือดในสมองแตกเลยกลายเป็นอัมาพาตไปเลยผลยก็คือว่าแทนที่จะเป็นฝ่ายช่วยภรรยากลับกลายเป็นภาระของภรรยาเพราะภรรยานี่ต้องมาดูแลสามีภรรยานี่เป็นมะเร็งอยู่แล้วนะต้องมาดูแลสามีซึ่งเป็นอัมพฤกษ์อัมาพาตอีก หนักแค่ไหนอันนี้ก็เพราะว่าสามีนี่ไม่ดูแลตัวเองเลยนะนะไม่ดูแลโดยเพราะดูแลจิตใจตัวเองนะไปช่วยเขาเสร็จแล้วตัวเองกังวลตัวเองเครียดพอเสร็จเลยในสมองแตกเปาะนี่นะมันกลายเป็นภาระผู้อื่นเล ย, ยงั้นคนเราเนี่ยนะเวลาจะช่วยใครเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทาหรือต้องทำไปพร้อมๆกันคือว่าดูแลตัวเองไปด้วย มีอีกลายหนึ่งนะสามีภรรยาเหมือนกันนะภรรยาสามีนี่ขับรถพาภรรยากลับกรุงเทพปรากว่ากลางคืนรถพลิกคว่ำภรรยานี่เอ่อพิการพิการนะรู้สึกว่าตั้งแต่คอลงมาเลยสามีก็เสียใจมากนะก็ ยอมสละงานการเนี่ยเพื่อมาดูแลภรรยาส่วนหนึ่งพอรู้สึกผิดนะที่ทำให้ภรรยาเป็นอย่างนั้นอีกส่วนหนึ่งก็รักภรรยามากแล้วก็ดูแลให้ความรักความห่วงใยเนี่ยยิ่งรักยิ่งห่วงใยภรรยามากเท่าไหร่เจ้าตัวก็ยิ่งเครียดนะแล้วก็อาจจะมีปัญหาก็คือว่าพอดูแลมากๆเนี่ย ทิ้งงานทิ้งการไปเป็นปีเนี่ยตัวเองก็เครียดกับงานการด้วยพอเครียดงานการก็เริ่มแสดงอาการระบายอารมณ์ใส่ภรรยาที่แรกตั้งใจช่วยภรรยานะแต่ตอนหลังนี่เริ่มสร้างภาระกับภรรยาด่าวระบายอารมณ์ใส่ภรรยาภรรยานี่ป่วยนะแต่กับทำทำใจได้มากกว่าก็ไม่ว่าอะไรไม่ถือสาสามี แนะนำให้สามีเนี่ยวางมือซะนะไปทำงานนะเพราะว่าอยู่กับภรรยามาเป็นปีนี่เครียดจัดสามีไม่ไปนะต้องการทำตัวเป็นสามีที่ดีจะอยู่กับภรรยานี่แหละงานการฉันไม่ไปฉันจะอยู่กับเธอแต่อยู่ไปอยู่อยู่ระหว่างที่อยู่ก็เครียดไปด้วยดูแลสามภรรยาก็เครียดไปด้วย มีตอนหลังเนี่ยเครียดจัดขนาดที่เรียกว่าทุบตีภรรยานะีทุบตีขาเอ า, เอามือทุบขานะแต่ภรรยาไม่รู้สึกเจ็บนะเพราะอาัมพาะแก่โกรธแก่เครียดมากเนะี่ยเครียดแล้วก็ระบายใส่ภรรยาอันนี้เรียกว่าแทนที่จะดูแลภรรยานะกัดทําร้ายภรรยาเพราะอะไรเพราะว่าไม่รักษาใจตัวเอง แล้วคนที่คิดจะช่วยใครแต่ไม่รักษาใจตัวเองนะกับทําร้ายคนนั้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวลืมตัวไปเลยนะเพราะไม่มีสติเจ้าตัวก็ทุกข์นะเจ้าตัวก็ทําร้ายตัวเองด้วยด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียว ก, ยกรัดเกลี้ยวและเครียดแต่ถ้าไม่เพียงพอยังทําร้าย ทั้งอารมณ์และจิตใจของภรรยา ท, ทั้งที่รักภรรยานะแต่ว่าไม่รู้เท่าทันจิตใจไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวอันนี้แหละนะมันชี้ให้เห็นแล้วว่าถ้าเราจะช่วยใครนะก็จะลืมนะดูแลจิตใจตัวเองพอไม่งั้นไอการช่วยของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นการทำร้ายคนที่เรารักไม่ต้องพูดถึงตัวเอง ตัวเองนี้ก็โดนเข้าไปเต็มที่อยู่แล้วฉั้นก็ให้เราพิจารณานะเรื่องของการรักตัวเองอย่างถูกต้องรักตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยนะในทางพุทธศาสานามันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เราเข้าใจนะมันหมายถึงการที่เราไม่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวนี่แหละคือคนที่ทําร้ายตัวเองคือคนที่ไม่รักตัวเองนะเรากำลังสร้างบากกัคมาให้กับตัวเองเกําลังสร้างความทุกข์ให้กับตัวเอง ถ้าไม่อยากถ้าอยากให้ตัวเองผาสุกนะก็พยายามลดความเห็นกับตัวให้น้อยลงแล้วก็คิดถึงผู้อื่นให้มากขึ้นรวมทั้งการทำความดีการให้ทานรักษาศีลการภาวนารักษาใจของตัวให้ดีอย่าให้อคุศลครอบงํเอาแล้วก็พูดเท่านี้